เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็คิดว่าจะเอาทองถวายหลวงตาเอาีบานนี้ได้แท้ๆก็เลยได้ทั้งหมดได้ทองทั้งหมดคณะสงฆ์พร้อมกับญาติโยมวัดป่านาคำน้อยของเร า, เอาทองทั้งหมดได้26กิโลกับ12บาทเอดีแล้วไอีบุญในหลายเนะ่ ทองทั้งหมดวัดของเราได้ยี่สิบหกกิโลสบสองบาทดอลลาร์ได้ห0ร้อหกร้อยกว่าดอลลาร์นะเงินบาทได้หนึ่งแสหนึ่งสามมืกว่าบาทติดต้นประปาอ่าร่วมกันมัดแล้ววัดของเฮานี่ทำหมุนเมื่อสิบสองสิงหาหนี่สสองล้านกว่า ได้สิบสองล้านกว่าโมเมนต์หน่อยพันไหนได้อืพอกิโลหนึ่งทองกิโลหนึ่งเนี่ยสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทต่อหนึ่งกิโลพอวันวันจุนจจนขึ้นมาเนี่ยขึ้นอีกนิดบาทเนี่ยเป็นสี่แสนแปดหมืนกว่าได้บาทเนี่ยนี่ พระเพิ่มรายงานมานี่สรุปย่อโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนนับถึงเช้าวันที่13สค2546ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว 6,700 กิโลก ร, รมัมดอลล่าร์8ล้านดอลช่วงวันเกิดวันที่ 10-12 สค46 ได้ทองคํา184กิโลกรัม8บาท68สชะตังดอลล่าสองแส0หมื่นสีนเารเฉพาะวันที่12สิงหา 2,546 ได้ทองคํา116กกิโลกรัม56บาท74สชะตังอันนี้ทองคาดอลล่าห หนึ่งดนเอาล์เงินสด6กล้าน1บาททองคำที่รวบรวมจากรวบรวมจากที่ต่างๆและงานทดแทนคุณ 12. ส2สองสิงหาคม2546าแต่ยังไม่ได้หลอมเข้าคลังหลวงมีอยู่กับหลวงตาทองคำ 596กิโลกรัม29บาท13สตังรวมทองคําทั้งที่มอบแล้วและที่มีอยู่แต่ยังไม่ได้มอบ6700บวก596จะเป็นทองคํา7ตัน 7,296 กิโลกรัม แปลว่ามีแหน่องไปสีหมอบเขาข้างลวงยังขาดส0บตันอยู่อีกยังขาดอยู่สองตันกับเจ็ดยสี่กิโลเองไปผู้ใดจะเอาตันสองตันทั้งหลังนี่เอาเลยนะได้บุญหลายได้ให้ลงตาเศาเ้าเมย อ, อันนี้คือสรุปอันนี้ผลลงวันที่ส3บสามยแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะพวกเราทำไปไม่ต้องเครียด เพราะว่าหลวงตาตั้งสิบตันเนี่ท่านรู้แล้วว่าท่านจะได้สิบตันท่านจึงตั้งแต่ว่าเรานี่มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมท่านมีเท่าไรเอา้าช่วยหลวงตาเต็มที่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาอแต่หลวงพ่อเองเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหลวงตาท่านมองเห็นแล้วท่านจึงไม้ตั้งแต่หลวงพ่ออินหลวงพ่อจอินยังตั้งอนนยู้อืยเอาสีแท้ก็ได้ทั้งยี่ิบหกกิโลเนี่ย ม, มันต้องมี ต้องมีเข้าซะก่อนไหมถ้ามันแห้งแล้งทั้งหมดจะไปตั้งเข้าได้ยังไงอันนี้ลุงตาต้องเห็นเงื่อนเห็นงามซะก่อนอลุงตาท่านถึ ง, ต, งตั้งขึ้นมาแต่พวกเราอยู่จุดท้ายไปหลังลูกหลานนี่หงายหลังทำไมลุงตาจึงตั้งสูงถึงขนาดนั้นแต่ตามให้ยริงลุงตาท่านต้องรู้ในใจของท่านแล้วว่าต้องได้ต้องต้อ ง, ง, งเสียเวลาหรือว่าทําเวลาสักหน่อย แต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่คิดว่าได้แนแ่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้ก่อนท่านจะเป็นครูบาอาจารย์พวกเราได้อย่างไรที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนี่ก็พราะท่านต้องต้องรู้ว่าต้องได้ถ้าคอยดูกันแล้วกันนะอันนี้ก็ใกล้ความจริงเข้ามาพอสมควรแล้วแต่ที่แรกพวกเราก็ต่างคนก็ต่างหงายหลังใครหง า, ายหลังเราสูงเกินไป แต่ถึงวันนี้ก็จวนแล้วยังยังเหลืออยู่สตันกว่ า, ายังเหลืออยู่สตัน700กว่ากิโลเองนะอันนี้ก็คือการช่วยชาติแต่บางคนก็มีปัญหาถามขึ้นมาว่าทําไมหลวงตาจึงรวบรวมทองคําอยู่ยังไม่หยดุดหลวงพ่อก็ให้เหตุผลว่าแต่หลวงตาไม่ได้เหตุผลนะแต่หลวงพ่อให้เหตุผลว่า เงินในธนาคารหรือเงินในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่สามบัญชีบัญชีหนึ่งกระแสรายวันอก็คือเงินเอออกมาใช้ทั่วๆัวไปเงินออมทรัพย์ออกมาใช้ในส่วนราชการอ่เงินฝากประจำก็คือเอามาเป็นหลักของประเทศชาติแต่นี้โลงตาท่านไม่ได้เอาไปใช้ประจำวันและก็ไม่ได้เอามาใช้ ให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการเงินก้อนนี้ท่านเอามาเป็นหลักของประเทศเให้เป็นหลักของประเทศเงินก้อนเนี่ยก็ว่าลักษณะว่าฝากประจํเาเป็นเงินฝากประจําของชาติเพราะงั้นเดี๋เอาเข้าหลักนี้แต่ทีนี้หลวงตาท่านทําไมจึงทําจึงทุ่มเทถึงขนาดพูดแล้วพูดอีกย้าแล้วย้ําอีกอายุถึงขนาดนี้หลวงตาท่านอาจจะมองไกลกว่าพวกเรา แต่พวกเราอาจจะมองสั้นแต่หลวงตาเนี่ท่านมองไกลหลวงพ่อคิดว่านะไม่ใช่ความคิดของท่านนะแต่หลวงพ่อคิดว่าเพราะต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับเมืองไทยแต่ถ้าว่าต่อไปอาจจะมีคนดูถูกขึ้นมาว่ า, าศาสนาไม่มีประโยชน์อะไรกับชาติไทยอย่างเนี้ยพอจะมีคน ขึ้นมาพูดวันในยุคใดสมัยใดมีที่ผ่านมาอา่ก็เคยมีที่ว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุงชาติอันนี้ก็เหมือนกันในยุคประเทศชาติบ้านเมืองจะล่มจมล้มตาท่านก็ออกมาช่วยชาติอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละให้เข า, าออกมาเทศนาให้พี่น้องประชาชนไม่ให้ลุกฮือขึ้นมาเหมืนเถอะในยุคนั้นควารู้สึกว่าถ้าว่าไม่มีใครออกมาพูดมาตักเตือน ญาติโยมลูกหลานพี่น้องประชาชนเนี่ยจะคิดยังไงก็ไม่รู้อาจจะลุกก่อนของ อ, อะไรฟืดตึงไปหมดอย่างเนี้ยแล้วจะทํำยังไงนี่หนึ่งดวงตาท่านออกมาในยุคนั้นออกมาประกาศให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายอไปทุกหัวเลยแหงประกาศให้ญาติโยมรับรู้รับทราบว่าเศรษฐกิจมันพลิกล็อกอย่างนี้อืมประเทศชาติเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้อยนางนี้กระทาให้ญาติโยมทั้งหลาย สำเหกสำนึกจากนั้นก็ขอให้ช่วยชาติให้เสียสละคนละบาทคนละห้สิตะตังคนละเท่าไรก็ไม่ว่ากันก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ลุงตาออกมาแต่พอมาถึงจุดนี้ก็ลุ้งตาพยายามหาทุนเข้าช่วยชาติเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยต่อไปในยุคหนึ่งประเทศชาติของเราพระสองฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในป่าเขาป่ารงพงไพ่เลี้ยงหน้ากระดานกันออกมาเพื่อช่วยชาติ อันนี้ก็คงจะเป็นเป็นผลดีต่อไปในอนาคตอันนี้คือมองมองไกลว่างั้นเถอะอย่างเห็นไหมอย่างพระนเรศวรรบค่าศึกสมัยก่อนอตีถล่มเขาไปถึงมหาอุปราชไปก็สนศึกเอาช้างชนกันเลยนะวนที่สู่พระนเรศวรก็เอาชนะมหาอุปราช จากนั้นพระนลเลรศวรก็กลับมาเนี่เสียพระไทยว่าข้าทาสบริวารทหารกองทัพของพระองค์เนี่ยปล่อยให้พระองค์หลุดเขาไปได้ยังไงไม่มีใครติดตามเข้าไปเลยกลับออกมาก็จะจัดโทษประหารแม่ทัพนายกรองทั้งหมดทิ้งอ่บอกว่าพวกนี้ไม่จงรักภักดีปล่อยให้พระองค์เข้าไปอ่ก็ยังมีพระเถระสามองค์แน่เขาไปบินทบาทกับพระนลเลรศวร ที่พระ อ, องค์หลุดเข้าไปอย่างนั้นคงจะเป็นบุญบา ร, รมีของพระ อ, องค์ากาวทำให้พระ อ, องค์โดดเด่นขึ้นมาเพราะเอาชนะฆ่าศึกได้อันนี้ก็คือพระสงฆ์เข้าไปบินทบาทไปขอกับพระนเรสวนาจากนั้นก็พระ อ, องค์ก็ประทาน อ, าอภัยโทษให้แก่ขุนศึกทั้งหลายน่ก็ยังเป็นประวัติศาสตร์มาได้ อันนี้คือคือบ้านเมืองยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระสงฆ์เข้าไปช่วยแต่ก็มีหลายๆเรื่องนะที่พระสงฆ์องค์เจ้าในยุคก่อนๆมายุคถึงยุคนี้ก็นี่แหละหลวงตาของเราก็ได้มาช่วยชาติบ้านเมืองอย่างที่พวกเราเห็นจากนั้นท่านก็จะไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆแนะนําพี่น้องประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เราฟังดูสิสาระประโยชน์ที่หลวงตาได้แสดงให้ฟัง ถึงเราจะไม่ได้ฟังก็ตามแต่คนอื่นที่เขาฟังเน่เกิดประโยชน์เห็นหมจัดงานวันเกิดของหลวงตาเมื่อกี้หนี่มืดฟ้ามัวดินฝ่ายพระสงฆ์ก็ไม่ใช่น้อยฝ่ายประชาชนก็เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือผลงานขององค์หลวงตา น, นี่ยนะช่วยชาติแต่พวกเรามีเท่าไหร่ก็อย่างที่ว่าน่ทุ่มเทสุดความสามารถของใครของเราเพื่อช่วยชาติไม่ใช่ช่วยใครท่านผู้ใดใครผู้หนึ่ง อย่างน้อยทองคําที่เราเอาเข้าไปกับไปตั้งไว้อยู่ในคลังหลวงไม่ไปไหนเป็นสมบัติของประเทศชาติเกิดประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองของพวกเราที่ลงตาที่ทำนีก็ถึงจะช่วยได้ระดับหนึ่งก็คือน้ําใจน้ําใจของพระสงฆ์น้ําใจของชาวพุทธน้ําใจของพุทธบริษัทน้ําใจคนทั้งชาติที่ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ย หลวงพ่อว่าเป็นผลดีเลยอืมเป็นผลดีกว่าผลเสียเลยเมืองไทยของเราที่หลวงตาออกมาเป็นหลวงพ่อวัดทุกอ่ถูกที่สุดอืมแต่คนอื่นจะว่าไม่ถูกกันสุดแท้แต่นนาจิต <c oughs> จตังนานาจิตตังนานาทัศนะมันงั้นเถอะแต่หลวงพ่ออินเนี่ยว่าหลวงตาทําถูกละนี่แหละอันนี้คือเศรษฐกิจเอาต่อไปรับผ่อนบำเหน็จนะ กันเไว้เบาเน่ามันเา่าไปหนาแน่ว่าลืงประเทศชาติปัานเมืองนี่ยขั้นบาเกลียวก็หลงตาหลงพอก็เบาๆอกอันนี้ก็คือเกลียวก็หลงตาอ่าเบาให้เป็นแนวความคิดบางทนก็จุดูถูกพระพุทธศาสนาดูถูกหลงต า, ามันกระบอเมนแนวคือกันนะเป็นบาปเป็นกรรมยะถาวาริวหาปูราปิริปู